พอกานตั้งใจฟังโอกาสที่หลวงปู่จะได้อยู่ด้วยนั้นมีน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นจึงได้ถือโอกาสนี้แนะนำตักเตือนทั้งที่ผู้บวชมาแตรกรา่ก่อนก็ดีบวดใหม่ก็ดี ก็เรียกว่าอยู่ในเก์ที่เราจะต้องฝึกตนที่จะต้องทรมานตนให้เต็มความสามารถเพราะว่ากิเลสยังไม่หมดยังละกิเลสไม่ได้เราจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้เนะี่ยบวชเข้ามาแล้วะ จุดมุ่งหมายของการบวชก็อยู่ที่บวชเข้ามาแล้วเ พ, เพื่อมาทำความเพียรละกิเลสให้เบาบางออ ก, ก, กจากจิตใจถ้าหากว่าไม่มุ่งอย่างว่านี้แล้วการบวชไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไรนักไปปล่อยกิเลสครอบงำจิตใจแล้วใจพุ่งสร้างเลื่อนลอยแล้วก็ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอคอนใจพุ่งสร้างเรือ่อยแล้วมักกะขาดข้อวัดปฏิบัติอือยากไปบินสบายก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ไปอยากปัดกวดรถวารามก็ปัดไม่อยากกวดก็ไม่กวด <c oughs> ข้อใจมันใจมันลอยอ่ะอืมไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้น่ อยากมาทำวัดก็มาไม่อยากมาก็ไม่มานี่คนใจรอยอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฝึกใจของทนต้องบังคับใจตัวเองให้ยอมรับปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า ตามใจตัวเองมันมีกิเลสกิเลสมันไม่ปรารถนาจะให้คนพ้นทุกข์มันก็จูงให้จิตนันเพลินไปในเรื่องอื่นนู่นเรื่องที่จะมาละ ก, กิเลสเนี่ยมันไม่ส่งเสริมเลยอืา ม, มารทั้งหลายมันส่งเสริมให้จิตเพลินไปภายนอกในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆางนี่นะ เพลินไปสเสวงหาหลา่าพายุทไป อ, อิตกวิจารนอ้อออกพรรษาแล้วเราสึกเราจะไปหางานทำจะมีรายได้เท่านั้นเท่านี้มันบวกลบคูณหารกันไปอเช่นนี้เนี่ยมันอย่าไปให้ความคิดเหล่านี้มันครอบงำจิตใจตัวเอง อย่าสร้างความคิดเช่นนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องอนาคตถ้าผู้ใดไปสร้างความคิดจะได้ขึ้นสัญหามันกดกำเริบอย่างแรงบางทีอาจจะอยู่กรรมสาไม่ได้ซ้ำเลยแหกคอกไปเลยฮะอย่างนั้นต้องระวังให้ดีเราบวชเข้ามาแล้ว ถึงแม้ว่าผู้ที่จะอยู่ไม่ได้นานก็ตามในเวลาที่บวชอยู่ต้องสำรวมทนให้เต็มที่ต้องทรมานตนฝึกตนไม่เห็นแก่ลับแก่นอนเอการขบกันใส่ฉันนั้นมันก็เอวันละคาบวรนละมือ้ออย่างนี้ก็พอดีพอดีแล้วเพราะเป็นนักบวชไม่ได้ทํางานกรมผลทนแบ ด, ดอาบเหงื่อต่างน้ําอะไร แทนสันมือเดียวเท่านี้ก็อยู่ได้ไม่หิวโหยไม่อ่อนเพรียอะไรเลยการนอนนี่สิสำคัญเท่าที่สังเกตดูแล้วเมื่อจะจมไปเลยนอนนะไม่รู้จักตื่นหลังนั้นให้พากันตื่นตัวถ้าไปนอนมากกันนะั้นแล้วก็ไม่ได้ มีโอกาสทําความเพียรเมื่อไม่มีโอกาสทําความเพียรอย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่เบาบางลงเลยอืมันเป็นงั้นเดิมมันนะเมื่อกิเลสมันหนาอยู่เหมือนเดิมแนละ้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรการบวชนะเพราะบวชให้พ่อให้แม่วางั้นเฮ้ยจะไปให้ได้ยังไงแต่ตัวเองก็ยังเต็มทีอยู่แล้ว ยังปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจยอยู่มากมายอย่างนี้มันจะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ยังไงอ่ะการที่จะได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้มันก็ต้องอาศัยทําความเพียรเผากิเลสให้เล่าร้อนให้มันระ ง, งับดับไปมันดับไม่หมดก็ให้มันดับอย่างหยามๆนั่นไปก่อนอย่างนี้ก็ยังนับว่า เป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยนะอืถ้าหากว่ายังสะสมกิเลสยำยาบเช่นราคะกองกำาังนนดีๆยังแรงก็้อยู่อย่างนี้นะมันจะเอาบุญกุศลที่ได้มาเกิดขึ้นในใจได้โทสะอย่างนี้ก็รุนแรงอยู่อย่างนี้นะมโมหะความหลงมืดอแปดด้านไม่รู้ทิศทางอะไรเลยอย่างนี้ถ้า ความหลงเขาครอบงามจิตไม่รู้คิดรู้ทางที่จะพ้นทุกข์อะไรเลยอย่างนี้นะแล้วมันจะเอาบุญเอาคุณที่ไหนมาทดแทนคุณบรรดาบิดาได้ไม่ได้นะขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าได้บวชมานุ่งเหลืองขมเหลืองแล้วเอก็จะตอบบุญแทนคุณบรรดาบิดาเลยไม่ใช่ไม่ใช่หรอก ตอบได้ก็ตอบเมื่อเราปฏิบัติดีไปไม่ท้อไม่ถอยสัมรวมตนด้วยดีมีจิตใจสงบจากราคะโทสะโมหะไปอย่างนี้นะมารดาบิดาเห็นลูกของตนตั้งอยู่ในความสัมรวมตั้งอยู่ในความสงบพ่อแม่ก็ศรัทธาเรื่อมใส่ในลูกวันนี้นะและกราบลูกกราบลูกชายของตนอย่างไม่ ขยักขยแงงเลยแหละเมื่อเห็นลูกตายตั้งอยู่ในคุณธรรมอันสูงส่งอย่างนั้นนะอืาให้คิดให้ดีอย่างนั้นการทําให้มารดาบิดาเคารพนับถือเช่นนั้นแล้วโทษที่ได้ประมาทท่านมาแต่ก่อนท่านก็เอาโหวสวศีรามให้หมดอืมท่านก็ไม่ถือโกรธถือเกลียดอะไรลูกของตนนี่ แล้วถ่าที่ตนได้ประมาทท่านมาแต่ก่อนมันโทษอันนั้นมันก็ระงับไปเลยอมันเป็งนงั้นนี่จึงเรียกว่าเราบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่ได้ให้กำเนิดเกิดมาเกิดมาแล้วเรามาบวชอะไรนี้ทำความดีเข้าไปจนพ่อแม่ยอมรับ ว่าลูกของโตนเป็นพระจริงอย่างนี้นะพ่อแม่ก็มีความสุขใจเห็นลูกของโทนทำดีขยันในข้อวัดปฏิบัติได้รับยกย่องจาก ท, ทายกทายกาทั้งหลายพ่อแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ดีอกดีใจ อันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าบวชจูงพ่อจูงแม่อืมกระจูงพ่อแม่ให้เข้าวัดเข้าวานั่นเองแล้วจูงให้ละความชั่วทำความดีไม่ใช่เข้าวัดเฉยๆพ่อแม่ดื่มเหล้าเมาสุราอยู่อย่างนี้นะลูกก็พยายามหาอุบายถ้าตนไม่สามารถจะสอนได้อย่างนี้ก็ พยายามจูงพ่อแม่ให้เข้ามาหาครูบาอาจารย์ออให้เพื่อนแนะนําสั่งสอนให้อย่างนี้มันก็ต้องฉลาดอย่างนั้นการที่เราจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่การที่มาหาอุบายชักชวนพ่อแม่ให้ละความช่วยทําความดีให้ได้อันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างสูงเลยอ่ะ ให้เข้าใจเป็นการตอบบุญแทนคุณข้าเข้าป้อนน้ำนมที่พ่อแม่สละให้เรามาเลี้ยงดูปูเสือมาแสนยากแสนลำบากอย่างนี้อ่าไอ้นี่บุญนี่คุณนะมันก็ค่อยเบาบางไปหมดไปหมดไปอ่าอย่าว่าไม่เป็นนี่เป็นคุณนะเป็น ไม่เป็นหนี้บุญคุณของท่านนะแปนทุกคนแหละที่เกิดมาในพ่อแม่เลี้ยงแสนยากแสนลำบากแล้วจะไม่จะไม่ให้เป็นหนี้บุญคุณท่านได้ยังไองอ่ะนั่นเนี่ยมันต้องคิดกันบวกเข้ามาแล้วนะมาคิดคิดได้อย่างนี้มันก็เตือนใจให้ไม่ให้ประมาทให้เร่งทำความเพียร ทำใจให้สงบให้ระงับให้หนักแน่นเข้าไปอย่างนั้นไม่ให้ใจเลาะเละเลื่อนลอยไปเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้นะ hmm. อพอเรามาปลาบถึงผู้มีพระคุณเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องเตือนใจให้สำรวมตนให้รีบเร่งทำความเพียรชำระกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิจใจตัวนหนึ่ง ตัวนหนึ่งก็เรามานาึกถึงชีวิตตัวเองนี่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วนะในยุคนี้สมัยนี้มันก็มีอายุสั้นพลันตายง่ายเราก็เห็นเห็นกันอยู่เลย อ, อย่างนี้แม่ตัวของเรานี่ก็จะอยู่ไปได้ไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวก็ต้องตายกันออืเมื่อไปคิดเห็นได้อย่างนี้นะ มันก็ไม่มัวไม่เมาหละคนเราถ้าเป็นรักบวชอย่างนี้ก็ตั้งใจทำความเพียรแหละเพราะว่ารู้ว่าชีวิตที่มีประมาณน้อยความตายี่ไม่ทราบมันจะมาถึงวันไหนเวลาไหนไม่มีใครบอกล่วงหน้าเลยอ่าอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวไว้ตลอดเวลาเลย เตรียมตัวทําจิตใจเข้มแข็งไว้สร้างบุญสร้างคุณเป็นที่พึ่งไว้ในใจอย่าไปหวังพึ่งกระขันห้าี้อยู่ถ้าบุคคลใดไม่มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งในใจแล้วมันก็ไปยึดขันห้าจิตนี่นะ่ะยึดขันห้าเป็นที่พึ่งเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปเป็นงานเดิมมันนะ่ะ ถ้าหากพระผู้ใสร้างบุญสร้างคุณในเกิดขึ้นในใจมั่นของเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยใจตัวเองว่าใจตัวเองอยู่ด้วยบุญด้วยคุณทุกวันนี้นะไม่ได้อยู่ด้วยอย่างอื่นเมื่อเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ไปหลงไหล ย, ยึดมั่นในขันห้ า, ว, าว่าเป็นตัวเป็นตนพก็ขันห้าไม่เที่ยงไปยึดของไม่เที่ยงว่าอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แหละ เมื่อของไม่เที่ยงมันแรปรปรวนไปจิตนี่มันก็นเป็นทุกข์เดือดร้อนอการที่เรามายึดบุญคุณเป็นที่พึ่งอยู่นี่บุญคุณนี่เป็นของติดตามดวงจิตไปทุกแห่งทุกคนส่วนร่างกายนี่เราก็รู้รู้กันอยู่นะหมดบุญเก่าแล้วมันก็แตกลลายลงอยู่้นดินนี้เท่านั้นเอง แต่บุญกับบาปที่บุคคลกระกทำนะ่ะมันนำดวงขีดนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปฉะน น, นอย่างนั้นดังนั้นเรา้รงมาคิดเสียว่าในระหว่างบุญในบาปเราจะเอาบุญบาปไม่เอาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็สิ่งแดิมเป็นบาปเราสลามไม่ทําไม่พูดกับมันพอไป เราทำแต่กุศลกุนงามความดีที่ให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นนี่เมื่อเราภาวนาเห็นแจ้งในบาปในบุญในคุณในโทษอย่างนี้แล้วเอา้าเราก็เลือกเอาที่แบนี้เอาสิาส่งใดเป็นบาปก็สลดทิ้งไปส่วนสิ่งใดเป็นบุญกุศลก็รวบรวมไว้ในใจอย่างนี้แหละเอาบุญเป็นกำลังใจไปก่อน ไม่ใช่ว่าไม่อาสัยบุญและกุลกิเลสได้บรรลุนิพพานได้ไม่มีทางเหมือนคนเดินทางไกลอย่างนี้แหละถ้าขาดสะเบียงแล้วอย่างนี้มันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางร่างกายก็อ่อนเพลียและเหี้ยใจลงไปเลยเป็นอย่งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนีาจิตใจของผู้ใดห่างเหินจากบุญจากคุณแล้ว มันก็ไม่มีกําลังใจที่จะมาทําความเพียนเลยเพราะว่าใจที่ไม่มีบุญคุณเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันย่อมห่อหิวเวอมันย่อมอ่อนแอทอดแท้ถูกกิเลสปั่นเอาก็พุ่งสร้างเลื่องลอยใจเลื่องลอยนี่นะอา้าวทําความดีอะไรก็ไม่ได้เลยเดินโยมกลมไปนานก็ไม่ได้เหนื่อยอเพราะใจมันไม่ตั้งนี่ใจมันไม่เกิดปีติในบุญในคุณ ในสินในธรรมเดินไปนอนหนึ่งก็เหนื่อยแล้วก็หยุด อ, อย่างนี้แหลาะหากว่าจิตใจมัน อ, อิบอิ่มอยู่ในบุญวยคุณนะเดินจมกรมมันก็ไม่เหนื่อยมันก็เดินได้นานเลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตมันปีติอยู่ในบุญในคุณปีตินี่มันเป็นกำลังใจทำให้ใจเข้มแข็งกล้าหาร นั่นเป็นอย่างนั้นเมืองของเรื่องนะขอให้เข้าใจดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทุกคนต้องพยายามสกัดกั้นคมชั่วอย่าให้เกิดมีในกายวาจาใจของตนแล้วข้อว่าสติบัตอันใดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ก็ พยายามรักษาไว้อย่าให้เสื่อมมันเป็ น, นอย่างนั้นอางนั้นนะขอให้พากันเข้าใจอันข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี้นะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้เหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลมหาสมุทรทะเลนี่ไม่ได้เป็นฝั่งชันลงไปนะ ไอฝั่งของน้ำมหาสมุทรทะเลนี่มันค่อยลาดเอียงลงไปทีนนละน้อยๆไปค่อยลึกลงไปโดยลำดับอย่างงี้นะแต่ใน่สุดมันก็ลึกมากเลยทีเดีย ว, วอา่าอย่างงั้นอันนี้ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ก็เป็นเช่นนั้นนะเลยก็ลองสังเกตดูสิ เบื้องต้นพระองค์กับทรงเน้นํำสั่งสอนให้คนบริจาคทานทำบุญทำทานไปก่อนอย่างนี้นะเมื่อใจมันดูดดื่มในทานการกุศลเขามันมั่นเข้าวัดเข้าว่าใกล้พระเจ้าพระสงค์เข้าไปพระสงฆ์ท่านจะแสดงทาให้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วท่านคนเน้นนำข้อปฏิปทาสูงกันให้กว่านั้น รักชวนให้รักษาศีลเจริญเมตตากรุณาไม่ให้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเข้าไปเมื่อมันฟังไปพี่นะพี่ก็เห็นเหตุเห็นผลว่าการทำอย่างนี้นะการประพฤติอย่างนี้นะมันจะเป็นไปเพื่อความสงบระงับจากกิเลสบาปธรรมส่วนหนึ่ง อ, อย่างนั้น เมื่อมันมองเห็นอย่างนั้นมันก็ลงมือทำรักษาศีลได้ น, น, นรักษาศีลไปนานเข้าไปเมื่อมันละบาปเข้าไปแล้วบาปมบรรอนจากจิตใจแล้วใจก็เบิกวาน่องใสขึ้นมาอย่างนั้นนหละเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายเจริญภาวนาสมาธิเข้าไป มก็พอใจอยากจะทำเพราะว่าเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มันใจนี่มันจะโน้มไปหาทางความสงบความบุญไว้ไม่ชอบคนมีบุญนะเราสังเกตดูใจของใครของเราสุที่เป็นอย่างนั้นไหมอืมอันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลพู้นั้นมันก็ ได้ยินได้ฟังอุบายภาวนามันก็สนใจมันก็ภาวนาเข้าไปนี่เมื่อภาวนาแล้วบัดนี้มัน ก, ก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงจิตใจโดยตรงเลยเข้าถึงจิตใจโดยตรงเลยทีเดียวควบคุมจิตใกล้คิดเลยหมายความว่าตัวเองนะนะควบคุมตัวเองบัดนี้อาศัยสติ สัมปัตยัญญานั้นรละลึกจะเข้าไปหาแต่จิตคือความรู้สึกอันเดียวนั้นเพราะอันอื่นไม่ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นฐารเลยไม่มีความคิดความจำความหมายเกิดขึ้นแล้วกว็ดับไปดับไปอยู่งั้นฉะนั้นมันขอยืนตัวอยู่ได้กับความรู้ความรู้อันเดียวเท่านั้นเอง ความรู้อันเดียวเท่านั้นเลยเราต้องสังเกต ด, ดูให้ดีอ่ไม่สังเกตไม่รู้ะนะเนี่เมื่อเมื่อมองสังเกตได้ความวาเมื่อเมื่อจิตจิตหยุดคิดอยู่นึกทั้งหมดแล้ว มันก็เหลือแตความรู้อย่างเดียวเท่านี้นี่คนนั้นเนี่ยแกนแห่งชีวิตจะเอาที่ไหนล่ะจะไปเอาอะไรก็อเอาความรู้อันเดียวนั้นเนี่ยควบคุมความรู้อันนั้นให้หยุดนิ่งไม่ถึงเวลาคิดไม่ถึงเวลาพิจารกก็ไม่ให้มันคิดไม่พิจารณาเวลานี้เวลาหยุดนิ่งเวลาสงบเวลาพักผ่อนจิตใจ ก็พากลงไปไม่คิดไม่นึกไปอะไรมีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้อยู่งั้นนะ ถ, ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยจิตมันได้พักผ่อนแล้วมันก็มีกำลังมันก็เข้มแข็งอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าจิตมีกำลังดีไม่วอกแวก ให้วุ่นวายไปอย่างอื่นแล้วอย่างนี้มันก็เหมาะสมที่จะเจริญปัญญาอค่นั้นและเรายังไม่รู้แจ้งอะไรก็กรำหนดเรื่องนั้นววาพิจารณาแบนี้เมื่อทำจิตให้มั่นคงดีแล้วอ่ะมันเป็นอยงั้นเมื่อพอจิตสงบระงับของใสอยู่นั้นพอนึกถึงเรื่องอะไรนี่ กระแสจิตนี่มันจะฉายออกไปหาเรื่องนั้นให้เรื่องนั้นมันให้มันเรื่องนั้นมันกระจ่างแจ้งขึ้นในจิตใจเลยนเนี่ยมันเป็นงังไถ้าใจนั้นมัวหมองอยู่นี่นะพอเราไปนึกถึงเรื่องอะไรก็ไม่กระจ่างเลยไม่เห็นชัดเลยมันเป็นยังไนคอยเข้าใจ นี่แหะที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำความเพียรชำระใจที่เศร้าหมองให้พองใสนะเพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในอันดับสุดท้ายเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วนี้มันก็ทำนิํำนาญในการพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้น ความจริงเรื่องนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรนี่มันก็พิจารณาเห็นได้ชัดเจนตามเป็นจริงก็มันไม่ใช่อะไรดอกความจริงมันก็มีใครๆก็รู้อยู่นั่นแหละแต่ถ้าใจมันไม่สงบแล้วมันมันไม่ยอมรับรู้ความจริงนั้นเท่านั้นเองนะเรื่องมันนะถ้าเมื่อจิตสงบลงไปแล้ววนี้ ก็ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปจิตก็รับรู้กับความจริงเหล่านั้นก็ขนันธ์ห้ามันไม่เที่ยงก็รับรู้ว่ามันไม่เที่ยงจริงๆขันว่าขันธ์ห้านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากจิตก็ยอมรับรู้ว่ามันเป็นทุกข์จริงๆอย่างนี้นะเมื่อขันธ์ห้านี่มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเขาของเราของตัวของเรอะไร จิตก็ยอมรับรู้ว่าไม่ใช่ของเราจริง อ, อย่างนี้แหละถ้าปัญญามสอนจิตเข้าไปแล้วมันจิตมันเห็นแจ้งตามปัญญาแนละ้วมันยอมรับยอมรับแล้วทำไงต่อไปวันนี้เอา้าก็ปล่อยวางแล้วบันนี้จะทำอะไรล่ะก็ปล่อยวางทำจิตให้เป็นอุเบกขาลงไปในขันห้านั้นแหละวันนี้นะ อาขันห้ามันจะวิบัติแปรปวนไปยังไงโลกภัยมันจะเบียดเบียนเกิดทุกเวทนาอย่างแรงกล้าอย่างไรจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามเพราะรู้แล้วในว่ามันไม่ใช่ของเรานี่และจะหวั่นไหวไปตามมันทําไมอ่ะเพราะเวทนาทุกเวทนาทุกเวทนานี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าอย่างนี้นะไม่ใช่ของเราอ่ะ เราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่มีอยู่ในเราหรือถ้าพวกกลงกงเราวัดสักจิตไม่ได้มีอยู่ในขันห้าขันห้าก็ไม่ได้มีอยู่ในจิตนี่มันก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เรื่องมันนะ่ ต้องให้เข้าใจให้มันชัดลงไปสำคัญในตรงนี้นะสำคัญมากส่วนมากนะไปไปสำคัญเอาจิตนี่เป็นขันห้าขันห้าเป็นจิตไปเลยเหตุตั้งนั้นมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละวันนี้นะเวลาขันห้ามันมวิบัติแปรปรวนไปมันก็ทุกข์มันก็เดือดร้อนนะวันนี้ ม, มันเป็นองั้นเพราะมันถือว่าเราเป็นทุกข์เราเจ็บเราป่วย นี่มันจึงจิตนี่มันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละถ้าเราแยกจิตออกจากขันห้าซะแล้วอ้าวขันหาน้านี่มันก็เป็นแต่เพียงว่ารูปลักษณะเท่านั้นเองเน่ยเช่นรูปอย่างนี้นะมันก็มีอยู่สภาพของรูปอยู่แล้วเวทนาอย่างนี้ มันอาศัยกายกับจิตกระทบกันก็เกิดความรู้สึกขึ้นท่านก็เรียกว่าทุกขเวทนาอ่าอย่างนี้แหละถ้าจิตได้รู้ว่ารูปกายอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเวทนามันก็ไม่ใช่ของเราสิเพราะเวทนามันเกิดจากจิตกับรูปกระทบกันนี่นะไอเพ่งพีนาลงไปอย่างนั้น สัญญาก็เหมือนกันนะอสังขารวิญญาณอะไรอาศัยกายกับจิตี่กระทบกันเข้ามันจึงเกิดเป็นนมามธรรมเหล่านี้ขึ้นมาแว่นี่เมื่อเราพิจารณาร่างกายนี่เห็นแล้วว่าไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้อันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเพราะมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยอย่างที่ว่ามันนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนอยู่ก่อนไม่ใช่ ในเมื่อจิตนี่แหละมาอาศัยรูปนี่อยู่แล้วรูปกับจิตนี่กระทบกันเข้าไปแล้วมันจึงได้เกิดเป็นเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณขึ้นมาเข้ามาอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นนะก็ขอให้พากันกำหนดจดจำเอาอุบายจเจริญวิปัสสนา กรรมฐานเท่าที่แนะนำมานี่นะไว้ให้ได้แล้วก็ไปบาเพ็ญเข้าไปทาใจของตนให้สงบลงไปให้หนักแน่นพอสมควรแล้วก็พิจารณาค้นกว่าเหตุผลของอัตภาพร่างกายหรือขันหานี่ดังที่แสดงให้ฟังมานี่นะอ่ม ให้มันรู้มันเห็นขึ้นมาด้วยตนเองอย่าสักแต่ว่าจำเอาคำพูดของเพื่อนไว้เฉยๆเราพิจารณาลงไปจนให้รู้ให้เห็นขึ้นด้วยตนเองเลยอย่างนี้โอ้ที่ท่านแสดงมาอย่างไรนะั้นมันเป็นความจริงทแท้เราก็เห็นตามแท้ๆไม่ผิดเลยเป็นความจริงอย่างนี้นะ เมื่อจิตมันยอมรับรู้ความจริงอย่างนี้แล้วมันก็รู้กันได้บะนี้ขันห้ามันก็เป็นขันห้าต่างหากจิตก็เป็นจิตต่างหากบะนี้แต่อาศัยกันอยู่นั่นแหละอาศัยกันอยู่ถ้าจิตรู้อย่างนี้แล้วแต่จิตทักไม่คล่องอยู่ในขันห้าที่มันอาศัยกันอยู่เพราะอะไรเพราะบุญกรรมยังมีอยู่บุญเก่าที่ได้ ท, าทํามาแต่ก่อนนั่นแนหะมันยังไม่หมด เพราะฉะนั้นบุญกรรมมันจึงน่วงเหนียวกายกับจิตที่อาศัยกันอยู่ไปก่อนเช่นนั้นยังไม่แตกไม่ดับก่อนอย่างท่านผู้สาเร็จอราหันแล้วอย่างนี้นะสิ้นอาสวะกิเลสแล้วอย่างนี้แทนที่ว่าท่านจะเข้าสู่นิพพานไปเลยอย่างนี้ท่านก็ยังไม่เข้าสู่นิพพานเพราะว่าบุญเก่านั้นยังไม่หมด บุญมันยังหล่อเลี้ยงรักษาธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ไว้อยู่นี่นะก็ท่านเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วท่านก็เลยมีแต่ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นประโยชน์ของตนมันหมดไปแล้วท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นพิจารณาทำเรื่องใดก็ดี ที่นานลงไปแล้วมันก็ไปถึงความจริงแล้วก็อยู่เท่านั้นเลยไม่สงสัยอะไรอีกต่อไปนี่มันเป็นงนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้สิ้นอาสวัคกิเลสแล้วท่านจึงทำแต่ประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้นเองอเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์อองก็เสด็จไปสแสดงทำแนะนำสั่งสอนประชาชนที่มีอุปนิสัยวาสนาซึ่งพระองค์เลงยงง พอพระองค์เสด็จไปได้คนเหล่านั้นได้ทราบข่าวแล้วก็กูรีกูจ้อได้ดอกไม้ทูบเทียนของหอมอะไรแล้วก็เข้าชวนกันไปเฝ้าพระศ า, ษ า, ษาสดาเลยเอ่าเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีบุญกุศลได้สร้างมาแต่ก่อนจึงไปต้องถ่ายพยานของพระ อ, องค์อนีถ้าพระองค์เร่งงานส่องสันโลกไป คนเราใดไม่ต้องถ่ายพายานของพระองค์พระองค์ก็ไม่เสด็จไปโกรดเลยพราะเสด็จไปแล้วก็ไปสอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจคําไม่เข้าใจคําสอนของอุตติเจ้าได้ก็เสียเวลาไปเปล่าเป่าพระองค์ก็เที่ยวเสด็จไปโปรดตั้งแต่คนมีอุปนิสัยวาสนาเท่านั้นเองอย่างนั้นเนี่ย ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้หากว่าไม่สามารถจะบรรลุผลได้ในชาตินี้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปในเบื้องหน้าไว้ยคาะว่าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆเจริญตรลักษณะนานเห็นแจ้งในขันหานี่ว่าเป็นอนิยจังทุกขังอนัตตาจริงๆเบื่อนาจริงๆอยากจะพ้นจากขันหานี่จริง แต่ว่าวาสนาบา ร, รมียังไม่เข้าขั้นยังไม่เต็มก็ยังหลุดพ้นจากขันธห้านี้ไปไม่ได้อย่างนี้อา้าวเมื่อไปเกิดไปชาติหน้าต่อไปบุญกุศลนนี้กระโดนบันดาลให้ได้ไปพบศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือว่าได้พบองค์พระพุทธเจ้าเลยทีเดียวในั้นพอได้ฟังคำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ สามารถบรรลุผลได้ทันทีรือผู้ที่อยู่ห่างไกลาจากพระพุทธเจ้ า, านี่เมื่อพระองค์เล่งงา น, งานส่องสัตว์โลกคนเหล่านั้นก็ไปต้องขายพระ ญ, ญาณของพระองค์อย่างที่ว่ามาแล้วแหละเพราะว่าอินทรียีบา ร, รมีแก่กล้ากมขอสมควรแล้วรพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเอา คนนั้นก็ได้มรรคได้ผลอย่างน้อยก็เป็นะโสดาบันสูงขึ้นไปก็เป็นสกัตถาามีอนาคามีขึ้นไปอย่างนี้ถ้าไม่ถึงอรหันต์ก็บรรลุมรรคผลไปขั้นหนึ่งขั้นสองไก็เป็นบุญญาลาภอันเริดแล้วผู้บรรลุมรรคผลในขั้นต้นไปได้อย่างนี้ยิ่งขยันทำความดีเริ่มได้ทำบุญให้ทานไปนี่ไม่มีถอยเลย รักษาสินให้บริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พร้อยเลยพระโสดาบันนะเป็นอย่างนั้นเป็นผู้เจริญใจลักษณะญาณเห็นแจ้งอยู่นั้นไปทำความเพียรเพื่อได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับไปอย่างนี้นะ นี่แหละที่ารรปาลลบลูกเปรียบให้ฟังมานั้นะว่าพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทไปเป็นขั้นขั้นไปอุปมาเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลหรือเหมือนฝั่งมหาสมุทรทะเลเนี่ย ค่อยเอียงค่อยลาดลงไปทีละน้อยน้อยลงไปค่อยลึกลงไปเรื่อยลำดับไม่ชันซิกธิกลงทีเดียวหมายเขาว่างั้นนี่ดังนั้นแหละผู้ปฏิบัติบางพวกบางคนไม่เข้าใจความหมายแห่งคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างว่านี่รีบเร่งทำความเพียนเร็ดเดียวเข้าไป เต็มที่แล้ววะนี่ไม่ได้บรรลุมรควุตามเป้าหมายก็เลยท้อใจเลยเอ๊ะตนนี่ไม่มีวาสนาบารมีที่จะไม่บรรลุมรควุฒนะหยุดเสียเลยดีกว่าไปทํามาหาเลี่ยงที่ไปซะก่อนทําบุญทําทานไปตามอาเพณีเพื่อให้บุญบารมีมันแก่กล้าแล้วมันก็คงจะได้ มักไม่ผลต่อไปไอ้คิดอย่างนั้นแล้วก็ถอยไม่ไหวพระไม่ภาวน า, าผู้ที่เข้ามาปฏิบัติท่านสูงันมาในระดับให้ทานก็มีแล้วรักษาศีลก็รักษามาแล้วมามาหยุดอยู่เพียงท่านภาวน า, าไม่สามารถที่จะระงับกิเลสในหัวใจให้เบาบางลงได้ ก็ได้ท้อใจว่าตนมีบุญน้อยไม่สามารถที่จะทำทาความเพียรภาวนาละกิเลสให้เบาวางออกไปได้นั่นเรียกว่าเข้าใจผิดก็เมื่อตอนรู้ตนว่าตนภาวนาไปกิเลสมันปวนใจฟุ่งส่านลำคานอย่างอา้าวเราก็ รู้ตัวแล้วการภาวนาก็เพื่อกําจัดกิเลสถ้าว่าไม่เห็นตัวกิเลสมันจะกําจัดมันได้ยังไงอ่ะในนี้ก็ต้องมีอุบายสิเหมือนอย่างงูพิษสัตว์นี้พิษต่างๆถ้าไม่เห็นตัวมันนี่มันจะขับไล่นไปได้ยังไงอ่ะในนี้ก็ไปเหยียบมันมันก็กัดเอาอะไรอย่างนั้น กี่ลสตัณหาก็เหมือนกันนะอะถ้าจิตไม่รู้แจ้งนะเอาไปยึดเอามันมันก็เผาจิตให้เราร้อนอย่างนั้นเนะนี่ยเอเด้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันทําจิตให้เราร้อนก็ไม่ท้อถอยก็เตือนตนว่าตนนั้นอนะ่ะมันหลงสร้างกิเลสขึ้นมาเผาตัวเองไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วกิเลสมันมาเผาจิตใจให้ร้อนเองไม่ใช่ ตัวเองนะคือดวงจิตนี่นะสร้างขึ้นมาเองเนชะ่นความรักเนี่ยนี่ตนก็วิตกขึ้นมาเองอย่างนี้นะมันถึงได้เผาจิตให้เราร้อนความโกรธความชังต่างๆพวกนี้นะตนวิตกขึ้นมามันจ่เกิดขึ้นได้อืมถ้าตนห้ามจิตได้ไม่ให้วิตกขึ้นมานี่ที่ในตอนนี้ไม่เกิดอะไรเข้าใจไม่เกิดแล้ว าทีนี้นะถ้ามันเผอวิตกขึ้นมาแล้วเราก็นึกถึงกรรมฐานอันเป็นเครื่องปรับกิเลสเหล่านั้นพูดให้เจ้าก็ทรงรู้แล้วว่าไอ้คนผู้ภาคเทียนทีแรกนี่จะให้มันสงบระ ง, งับไปเลยไม่กำเริบ ม, มาอีกมันไม่ได้เพราะกำลังมันไม่พอ กำลังบุญวาสนาบารมียังอ่อนอยู่สู้กําลังกิเลสยังไม่ได้เต็มที่สู้ได้ไปนิดหน่อยแล้วก็อ่าเมื่อกิเลสมันลุกขึ้นมาเล่นงานมันหอบพุ่งซ่านไปเลื่อนลอยไปอีกจิตใจเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ปั้งสติควบคุมจิตไปใหม่อย่างนี้นะอะไม่คิดไม่วิจารณ์มันเรื่องที่มันหลงคิดไปแล้วก็แล้วไว ต่อไปเราจะไม่คิดมันเรื่องเช่นนี้มันก่อให้เกิดกิเลสแล้วก็ ค, ควบคุมจิตด้วยสติสมบัติสัญญาตั้งความอดทนลงไว้อย่างนี้นะี่ความอดทนนี่เป็นตระป่าธรรมนั่นถ้าใครไม่อดไม่ทนแล้วไม่ได้ย่อมท้อถอยย่อมถอยหลังจะไม่ทำความเบียนติดต่อไปเลยมัเนเบียงัน ดังนั้นเราต้องสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจเมื่อกิเลสมันครอบงมจิตใจพุ่งสา่นเลื่อนน้อยเ อ, อ้าเราตอนนี้เรายังละมันไม่ได้เราจะอดเอา้าปัญญาของเรามันยังน้อยอยู่ใช้ความอดแทนออกอดไม่คิดอดไม่ปรุงไม่แต่งมันลงไปอย่างนี้นะในในขณะที่อดทนอยู่นะั้นมันต้องเล่าร่อนแน่นอนเลย อกิเลสมันแสดงฤทธิ์ออกมาเอาเรกากระอนอเราก็พี่ณาถึงขันห้าเลยกว่า น, นี้นะเรื่องความร้อนความหนาวอะไรตรงนี้มันเรื่องของขันห้าทั้งนั้นเลยอย่าไปหลงเลยอย่าไปสําคัญเป็นอื่นไปเลยขันห้านี่มันย่อมมีเกิดขึ้นแล้วมันย่อมหลับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น่ะ เราจึงต้องไม่หวันไหวกับมันปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตก็เข้มแข็งเดีดเดยวๆี่บันนี้ปัญญาสอนเข้าไปมันก็อดทนอดกัน้นมันจะเกิดทุกเวรนาองในก็ช่างนะแล้วที่นี่เมื่อเวลาความอดนีนมันมีกำลังแข็งแรงพอมันแผดเผาพิเรทที่มาล ก, กวนจิตใจนั้นให้ระงับดับลงไปมันนี้ อา้าวทุกภาเทนาก็ดับแล้วสุขภาเทนาเกิดขึ้นแทนจิตใจก็เป็นสุขสบายแบบนี้อ่ากิเลสเหล่า น, น, นั้นอารมณ์เหล่านั้นมันระงับดับไปแล้วความเจ็บความปวดความเห็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรก็มันก็หายไปจากความรู้สึกอ น, นั้นเป็นอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจและสรุปสุดท้ายก็อย่างว่าแม้ว่าใครจะไปรู้ข้อวัดปฏิบัติจำเจ อ, อยู่่อยางไรก็ตามถ้าขาดความอดขาดความเพียร น, นี่แล้วย่อมดำเนินไปไม่ได้ตลอดเลยอขอให้เข้าใจใครๆก็มาสามารถ ที่จะช่วยเหลือใครได้เรื่องการละกิเลสแล้วทุกคนย่อมช่วยตัวเองย่อมทำความเพียรพยายามด้วยตนเองอย่างนั้นผู้อื่นนั้นเพื่อนเป็นแต่เพียงแนะนวทางให้เท่านั้นแหละแนะอุบายให้อย่างนั้น เมื่อเมื่อได้รับอุบายจากผู้อื่นไปแล้วเราก็ไปลงทำความเพียรเข้าไปตามนั้นอา้ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็ อ, อดทนอดกัน้นสละมันลงไปไม่หวั่นไหวกับมันอย่างนี้นะนี่แหละขอให้ทำความเพียรลงไปอย่างนี้มันถึงจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจถ้าไม่ผ่านด่านแห่งความทุกข์ อเวทนาต่างๆมวกนี้ไปได้แล้วไม่ได้หรอกไม่ได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารนะไม่ได้แล้วมันก็ติดอยู่ในความทุกขอ์อะไรบ้านี้นะเอะเมื่อถอยซะหยุดภาวนาเสียแล้วอย่างนี้จิตใจมันไปผูกพันกับอารมณ์ที่น่าชอบใจบางสิ่งอยา่างมันก็เป็นสุขไปชั่วระยะหนึ่งแล้วบ้านี้เออเป็นสุขเพิดเพลินไป เท่านั้นเองจะเป็นความสุขชั่วคราวหนึ่งท่านพอหวนกลับมาภาวนาจะขับไล่กิเลสนั้นออกไปวันหนึ่งก็กิเลสมันก็ลุกขึ้นเล่นงานอีกถ้าใจทนเข้มแข็งพออดทนพอมันก็เอาชนะกิเลสเหล่านั้นได้เป็นอย่างนี้นะขอให้เข้าใจการปฏิบัติทำทางจิตใจ มันต้องเอาทุกเป็นทุนจริงๆต้องสละต า, ตายลงจริงๆนะถ้ากลัวตายอยู่เนี่ยไม่ได้เลยเอาชนะกิเลสไม่ได้อืแต่ความจริงมันไม่ตายแค่ทําความเพียรทางกายทางจิตใจอยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างนี้ไม่ตายแน่เลยแต่คนเรามเนี่ใจฝ่ออย่างว่านั้นเนี่ยมันกลัวตาย แท่ที่จริงก็ไม่ตายด้วยอานุภาพแห่งสมาธิภาวนาถ้าเราทำจิตให้ลงถึงที่ได้จริงนะโรคไครมันก็บันเทานี่โครคภัยไข้เจ็บซึ่งมีมาแต่ก่อนนั้นมันก็บันเทาลงไปได้แล้วมันก็ไม่เกิดโครคภัยอย่างอื่นเพราะภาวนาไม่เกิดรับรอง อย่างนี้มันเกิดมันก็เกิดด้วยเหตุอื่นนู้นต่างหากด้วยภาวนานี่มีแต่เพียงทําให้สุขภาพของร่างกายนี้ดีขึ้นซ้ําเป็นไรอ่ะอเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตใจมันดีแล้วนะจิตใจมันเบิกบานผ่องใสจิตใจมันเฉลียวฉลาดไม่ยืดเถือขันหน้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วอย่างนี้อ่า ร่างกายอันนี้มันก็ค่อยกระทุ้มกระสวยค่อยมีกําลังขึ้นนะถ้าหากว่าเป็นผู้อ่อนแอมาแต่ก่อนก็ดีอย่างนี้อืเว้นเสียแต่บุคคลที่มีกรรมมีเวรที่ได้ทํามาได้ผนหลังมันตามมาสนองเอาไอ้อย่างนั้นน่ะมันจะภาวนายัางไงยังไงมันก็ไม่ฟังอนะ่ะมันก็ต้องเป็นไปตามหน้าที่ของมันนะกรรมเวรนะ เราก็ต้องรู้ผู้ภาวนาก็ต้องรู้อ๋ออันนี้มันโรค ก, กรรมโรกเวรก็รู้อย่างนี้นะก็รู้แนละ้วเราก็ไม่บวนไหวอ๋อตัวเองค่ะประมาทแต่ชาติก่อนได้ทําชั่วมาไอา้กรรมเวรนมันก็ตามมาสนองอย่างนี้ชาตินี้เราจะไม่ทําชั่วอย่างนั้นต่อไปอ่าไม่จะไม่เบียดเบียนใครจกไม่จองเวรกับใครเลยไอ้ หน่วยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้ทุกเวทนาในกายอันนี้จงบรรเทาเบาบางไปก็ได้อธิษฐานลงไ้อย่างนี้แล้วก็บางทีทุกเวทนานมันก็เบาบางลงไปอย่างนี้นะเรื่องเวทนาเนี่ยสำคัญมากเลยลราสังเกตดูผู้ภาวนาทั้งหลายเนะ จิตใจมไปท่อกับเรื่องเวทนานี่เองนะมันผ่านเวทนาที่ไปไม่ได้พระพุทธเจ้ายังตัด้วยว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาอันพอดจิตมัน ร, รู้รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันต่อทุกเวทนาต่างแล้วจิตมันวุ่นวายฟุ้งซ่านแล้วร่างกายมันก็สงบอยู่ไม่ได้เลย มันก็วันไรไปแล้วอย่างนี้นะมันก็วันไรไปแล้วจะนั่งนิ่งนิ่งอยู่นี่ไม่ได้แล้วอืมนี่แหละเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเกิดตัณหาอยากไปโน้มอยากอยู่นี่อยากทำวันนั้นนั้นนี้ไปแน่เอาวันนี้นะถ้าหากว่าผู้ที่ใจเข้มแข็งแล้วก็ยังว่า เมื่อทุกข์กับเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเพราะเวทนาก็สักวาจะเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเอของใครอืมอย่างนี้นะเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวเล้วันนี้ก็มันรู้ว่าไม่ใช่ของเราเนี่จะไปหวั่นไหวกับมันทําไมอก็อย่างที่พูดให้ฟังมาแล้วว่าจิตมันเป็นธรรมชาติรู้อย่างหนึ่งต่างหาก อันเวทนานะี่ยมันเป็นอยู่จําพวกขันห้านี่นะวันนี้เราฝึกจิตให้เข้มแข็งเอาจิตนี้รู้เท่าเวทนานั้นอีกทีหนึ่งอ่หรือเอาจิตรู้เท่าสัญญารู้เท่าสังขารรู้เท่าวิญญาณเหล่านั้นไปรู้เท่ารูปกายอันนี้ไปเมื่อจิตนี่ฝึกได้ดีตั้งมั่นด้วยดีแล้วอย่างเนี้ยมันย่อมรู้ แจ้งในขันหา่าตามเป็นจริงได้ไม่ถือมันว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์โดยแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้